สติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเรียกว่าการที่จะทําอย่างนั้นขึ้นมาที่กล่าวมาเนี่ยคือให้มีสติซะก่อนสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวสติสัมปชัญญะขณะนี้เราทําอะไรอยู่วิธีการตั้งสตินะขณะนี้เรากําลังแปลงฟันขณะนี้เรากําลังล้างหน้า ใช่จะว่าเขาไะยุบหนอก้าวหนอเดินหนออย่างนั้นก็มันก็ลักษณะเดียวกันแต่ที่คนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวขณะนี้เรากำลังแปลงฟันขณะนี้เรากำลังพูดขณะนี้เรากำลังฉันขณะนี้เรากำลังเดินอันนี้คือการตั้งสติถ้าว่าใครมีสติอยู่ตลอดเวลา ใครข้าว่าเฝ้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะคนนั้นจะไม่เบอไม่เผลอไม่จิติไม่เลือดลอยถ้าว่าคนไม่ได้คิดอย่างนั้นมิได้คิด เ, เมอร์ลอยไป อ, อนั่งเมอรลอยไปเวลาเขามากระตุกหลังทีเดียวสะดุ้งเหือกใจเขาเองไม่อยู่กับตัวงั้นเด้ไม่รู้มันลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้เอมันไก่มันลอย เวลาเขามากระตุกหล้างยังค่อยจะดุ่งเที่หนึ่งสติยังค่อยกลับมาอันนั้นแปลว่ามันไปมากแล้วนะแต่ถ้าว่าเราอยู่กับตัวเนี่ยเราจะรู้อยู่ตลอดเสียงค้อแคกอะไรมาเรารู้หมดเพราะสติอยู่กับตัวเองสติสัมปชัญญะเรารู้ตลอดเวลาว่าขณะนี้เราทําอะไรขณะนี้เราทําอะไรให้ค่ายพัเใ็้ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาถามในใจนะไม่ใช่ถามออกปากถามในใจขณะนี้เราทําอะไร ให้มีสติอยู่กับตัวเองอันนี้แหละเป็นการฝึกขัดสติให้อยู่กับตัวเองต่อไปเมื่อสติดีแล้วเราก็เนึกเข้าไปถึงเดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรนะมันคิดไปอย่างนั้นอีกนะมันเข้าลึกเข้าไปอีกขณะนี้ใจเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อะไรขณะนี้ใจของเรามันปุ่งฟุ้งซ่านเรื่องอะไร เรื่องที่เราปรุงฟุ้งซ่านที่เราคิดมากเนี่ยมันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรือเราคิดเกินไปหรือว่าเราจะต้องแก้ไขอย่างไรในเรื่องที่เราปรุงอยู่เดี๋ยวนี้ก็ให้มีสติในการคิดปรุงของตนเองอีกจากนั้นก็พิดปรุงถึงมาดูร่างกายของตัวเองร่างกายของเรานะตั้งแต่หัวจดเท้าเป็นเด็กขึ้นมาเดี๋ยวนี้เรา อยู่ในระดับไหนกลางคนหรือปลายคนแล้วแล้วต่อไปภายภาคหน้าล่ะร่างกายนี่จะต้องปล่อยต้องวางนะจะต้องทิ้งนะเไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะให้ดูให้รู้ไว้นะไอ้ก็ให้มีสติอีกเหมือนกันเอถึงยังไงถึงเราจะไม่ตัดกิเลสปล่อยวางเป็นเด็ดขาดเขาบอกปล่อยวางในจิตใจในระดับหนึ่ง ความทุกข์ในใจของเราก็จะลดลงกนะคื อ, อย่างน้อยก็ให้ความทุกข์มันน้อยลงว่า ง, งั้นถึงจะไม่ปล่อยวางทั้งหมดก็ปล่อยวางให้น้อยลงถ้าเรารู้อยู่แล้วนะถ้าเรารู้อยู่แล้วนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็น้อยลงเพราะเหตุใดเพราะว่าเรารู้มันแต่ถ้าว่าเราไม่รู้จักปล่อยวางนะ แต่และ ว, วันหน้าหงิกหน้างอหน้าบิดหน้าเบี้ยวโมโหโทโสโกโทาคุนเครื่องอยู่จางงั้นน่ะเราคิดว่ามันจะสุขไหมทุกนะถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางมันทุกนะเพราะฉนั้นอย่างน้อยก็ให้มีสติอย่างที่ว่านแ ต, แต่เริ่มต้นจากนั่นกับพิจารณากายจากนั้นพิจารณาดูร่างกายพิจารณาถึงใจนยรู้จักปล่อยวางที่ใจอย่างน้อยก็ให้รู้จักวางนะ ปล่อยนะวางนะดูนะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะอย่างเนี้ยอย่างน้อยก็ใจของเราก็จะปล่อยทีละน้อยละน้อยอความทุกข์ก็จะลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปถาาว่าเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนะหน้าหงิกหน้างองหน้าบิดหน้าเบี้ยวอยู่ทั้งวันเอจิตใจอมทุกข์อยู่ตลอดทั้งวันไปที่ไหนก็อมทุกข์อยู่อย่างนั้น ก็ใจไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมันทุกเพราะนั้นจิงเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนักปฏิบัติทั้งหลายให้สังเกตตัวตัวเองสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากทําไมจึงพูดอย่างนั้นอนุสติสนะิทธพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคือมีสติอยู่จุดท้ายอยู่ตลอดเพราะงั้พุทธานุสติน และลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรมานุสติและลึกถึงพระธรรมสตินี่จะต้องมีอยู่ตลอดเลยไม่ใช่พุทธาปัญญาธรรมาปัญญาสังขาปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาสติซะก่อนอย่าค่อยมีปัญญาตามมาถ้าคนขาดสติไปว่าสติเลื่อนลอยแล้วอย่างอื่นมันมันลอยไปหมดเพราะนั้นสติต้องนำหน้าก่อนพุทธานุสติและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านคนที่มีสติอยู่กับตัวเองและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไป ได้ละเอียดละออแนบเนียนเพราะมีสติเพราะเราเฝ้าบ้านอยู่ตลอดมีความคิดอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเป็นตัวท่องตัวเองอยู่ตลอดนี่แหละสติที่ว่าการจะประพฤติปฏิบัติธรเมยสติต้องมาก่อนสติต้องนำหน้าต้องฝึกขัดสติสติจึงว่าเวลาเราจะทำอะไรขณะนี้เราทำอะไรสติเนี่ยสัมปชัญญะคือความรู้ตัว ขณะนี้เรากำลังเดินขณะนีเ้เรากำลังพูดขณะนี้เรากำลังรับทานอาหารขณะนี้ เ, เรากำลังเดินทางขณะนี้เรากำลังนั่งรถคร่อยให้มีสติอยู่ถ้ามันเผลอไปเออมันเผลอไปช่วงที่มันเผลอแต่พอมันมีสติกับมาเราก็ให้สติอยู่กับตัวเองสติสัมปัญญะสติคือความระลึกได้สัมปัญญาคือความรู้ตัว เราสติเข้าดีขึ้นเรื่อยๆสติเราแข็งแกร่ ง, งขึ้นเรื่อยๆเอเรามองเห็นภายนอกจากนั้นเราก็มองเห็นภายในของเราได้ลเลยใจของเราคิดเรื่องอะไรมันจะทันใจแหละทีในความนึกความนึกคิดต่างๆเราจะรู้ได้ด้วยตนเองะเพราะนั้นพวกเรานะฝึกหัดเรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างอย่างยิ่งนะสรุปแล้วที่จะปล่อยวางได้ก็คือมาจากสติซะก่อน ก่อนที่มีสติได้ก็ต้องมีศรัทธาซะก่อนคือความเชื่อซะก่อนนะเออมันมาจากน้นอีกนะถ้าคนไม่มีศรัทธาเราจะมีสติได้ยังไงถ้าคนมีศรัทธาแล้วก่อนเออจึงมีสติในทางพระพุทธศาสนาได้เออถ้ามีสติเมื่อสติอย่างอื่นสติจะฆ่าคนสติจะเบียดเบียนคนสติอะไรมันเป็นมิจฉาสตินาดนั้นเออไม่ใช่สัมมาสตินะเออถ้าเป็นอย่างนั้นมิจฉาสติก็ได้สัมมาสติก็ได้นะ ถ้าจะติคิดไปในที่จะฆ่าจะแกงจะคดจะโกงจะป่นจะจี้จะทําความชั่วช้าลามกต่างๆก็มีสติเหมือนกันนะอถ้าคนบ้าทําก็ทําแบบเรื่องลอยอีกอย่างหนึ่งถ้าคนมีสติทํามันมันทําได้ได้แนบเนียได้ดีกว่าแต่เนี่เป็นว่ามิจฉาสตินะถ้าว่าสัมมาสติเนะี่ยไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นรละลึกขึ้นมาเวลาใดก็เพื่อจะส่งเสริมเมตตาตนและผู้อื่นเอ ให้ ต, ตนและผู้อื่นเป็นสุขมีสติอยู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งไหนที่ชั่วไม่ทำสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ทำอันนี้แปลว่าสัมมาสติมิจาสติคือความเห็นสติผิดแล้วนะอย่างที่ว่านะเพราะฉะนั้นพวกเราให้เป็นสัมมาสติสติะระลึกชอบคนมีสติแล้วจะทำสิ่งไหนก็น่าดูไปสถานที่ใดก็น่าดูเพราะคนมีสติอยู่กับตัวเอง วัะนั้นฝึกหัดสติเมื่อสติดีแล้วกับปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดเราก็พิจารณาไตรตองเหตุและผลรู้จักปล่อยรู้จักวางในจิตในใจนะนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ทุกย่างก้าวทุกความนึกคิดในตัวของพวกเราอาตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร